วันนี้เป็นวันพุทธที่หกกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าหห้าเป็นวันพระวันธรรมสัสดิ์วันฟังธรรมคำว่าธรรมสวัสดินี้ก็แปลว่าการฟังธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งบัญญัติให้พุทธศาสนิกชนได้หยุดการทำภารกิจการงานต่างๆไว้หนึ่งวันแทนที่จะไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในวันนี้ให้มาทำมาหากินเลี้ยงจิตใจแทนหนึ่งวันเพราะชีวิตของพวกเรานั้น มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายและมีจิตใจที่ต้องการความดูแลร่างกายก็ต้องการอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเราจึงต้องไปทำมาหากินกันทำงานทำการหารายได้ เพื่อที่จะได้เอาไปซื้อปัจจัยสี่มาดูแลร่างกายนี่เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตเราที่เราต้องดูแลกันทุกคนคือร่างกายของพวกเราถ้าขาดปัจจัยสี่อย่างใดอย่างไปร่างกายก็จะต้องลำบากอาจจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพ่คนพิการ หรือถึงแก่ความตายไปได้เราจึงต้องมีวันธรรมหากินกันส่วนใหญ่เราก็จะทำกันอาทิตย์ละห้าวันด้วยกันในยุคปัจจุบันนี้มีวันหยุดอยู่สองวันคือวันเสาร์วันอาทิตย์แต่คนสมัยนี้ไม่เข้าใจถึงความหมายของการวันหยุด เพไม่ได้เข้าวัดเข้าวาไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนกันเลยไม่รู้ว่าวันหยุดทํางานนี้มีไว้เพื่อทําอะไรก็คิดว่าเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อที่จะได้ไปหาความสุขกันทางตาหูจมูก น, นิ้วกายไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปทําอะไรต่างๆที่อยากจะทํากันซึ่ง ไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจแต่กับเป็นโทษกับจิตใจเพราะการกระทาเหล่านี้เป็นเหมือนการเสพยาเสพติดให้แก่จิตใจเมื่อเสพแล้วก็จะติดต้องกินต้องเที่ยวต้องดูต้องฟังอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่ไม่สามารถที่จะเที่ยวได้ ไม่มีเงินที่จะไปซื้ออะไรต่างๆไปดูไปฟังอะไรเวลานั้นก็จะเกิดความงดหยิดลำคาญใจเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจดังนั้นนี่ไม่ใช่เป็นวันที่เราควรจะเอาไปทำกิจกรรมเหล่านี้ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราได้เรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าต้องการให้เราใช้วันหยุดการทํามาหากินทางปากท้องนี่มาทํามาหากินเลี้ยงจิตใจของพวกเราเพราะพวกเรานี้เป็นเหมือนแฝดสยามเรามีอยู่สองมีอินกับจันท์อยู่ติดกันร่างกายก็เป็นอินใจก็เป็นจันทร์ แต่เรามองไม่เห็นจันทร์ตัวจันทร์นี้เป็นตัวที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาจันทร์นี้เป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนแต่เป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเร า, เราใจของพวกเรานี้สามารถสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เหมือนกับร่างกายของพวกเราพวกเราจึงดูแลร่างกายเราอย่างเต็มที่ ไม่ต้องการให้ร่างกายเราทุกข์ต้องการให้ร่างกายเราสุขแต่ส่วนจิตใจของพวกเรานี้เราไม่เห็นกันเราก็เลยไม่รู้ว่าเรายังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูแลเหมือนกับเราดูแลร่างกายเพราะว่าเวลาใจของเราทุกข์นี่มันก็สร้างความทรมานให้แก่ใจอย่างมาก บางทีความทุกข์ของใจนี้รุนแรงกว่าความทุกข์ของร่างกายสิพวกเราจึงมักจะมีความทุกข์ใจกันอยู่เรื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเราคิดว่าเราดูแลร่างกายให้ดีแล้วใจเราก็จะสุขใจของเราก็จะสบายต่างแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันร่างกายเราสุขสบาย มีปัจจัยสี่สมบูรณ์มีหลายระดับปัจจัยสี่แบบธรรมดาปัจจัยสี่แบบมหาเศรษฐีพระราชามหากรย์แต่ใจของบุคคลเหล่านี้ก็ยังทุกข์กันได้ยังมีความวุ่นวายใจกันเพราะเขาไม่ได้มีเวลาหรือไม่รู้วิธีดูแลใจของเขาเนั่นเอง มัวแต่ดูแลร่างกายของเขาและเวลาที่เขาว่างจากการดูแลร่างกายเขาก็ไปดูแลศัตรูของใจอะไรคือศัตรูของใจศัตรูของใจก็คือกิเลสตัณหานี่แหละความอยากต่างๆความอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโต อยากมีหน้ามีตามีคนนับถือยกย่องสรรเสริญอยากมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปทภาชนิดต่างๆในวันหยุดแทนที่เราจะมาดูแลใจของพวกเราเราก็ไปดูแลศัตรตูของใจเพราะกิเลสตัณหานี่เป็นผู้สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจของเรา เป็นเหมือนเชื้อโรคที่มาสร้างความทุกข์การเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับร่างกายของพวกเราพอเวลามีเชื้อโรคระบาดนี้เราต้องรีบหายามากำจัดมันสกัดมันทันทีพอมีโควิดปรากฏขึ้นมาทุกคนนี่ค้นคว้าหายากันค้นคว้าผลิตวัคซีนเพื่อมาฉีดป้องกันไม่ให้โควิดนี้เวลาเข้ามาทางร่างกาย มาสร้างความทุกข์สร้างความเจ็บไข้ได้ป่วยสร้างความตายให้กับร่างกายนี่แหละค่าศึกศัตรูของใจก็เหมือนกับค่าศึกศัตรูของร่างกายคือเชื่อโรคต่างๆในค่าศึกศัตรูของร่างกายที่พวกเรานี้คอยกําจัดกันอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนค่าศึกของใจผู้ที่มาสร้างความเจ็บไข้ได้ป่วยทางใจนี้ เราไม่ค่อยรู้จักกันเพราะเราไม่ได้สนใจศึกษาเรื่องราวของใจงกันเราก็เลยไม่รู้ว่าใจของเรานี้ที่ตกอยู่ในความทุกข์อยู่อย่างต่อเนื่องนี้เกิดจากอะไรส่วนใหญ่ก็ไปคิดว่าเกิดจากการขาดแคลนทางด้านปัจจัยสี่กันหรือขาดแคลนทางด้านลาบยศสรรเสริญ ขาดแคลนทางลูกเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ากันพอเรารู้สึกว่าเราทุกข์กับเรื่องเงินทองก็ต้องรีบไปหาเงินหาทองมาทุกข์กับการไม่มีหน้ามีตาก็ต้องรีบไปหาตําแหน่งหายศมาประดับกันทุกข์กับการที่ไม่มีไทยสรรเสริญยกย่องเยินยอเราก็พยายามไปสร้างผลงานต่างๆให้มีคนเท่า มอบรางวีรางวัลให้กับเราไม่ว่าจะเป็นทางกีฬาทางการแสดงหรื อ, อทางอะไรต่างๆนี่เขามักจะมีรางวัลแจกให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางแสดงทางการแสดงก็มีตุ๊กตาทองคำโล่ทองคำอะไรต่างๆท า, า, างการกีฬาก็มีเหรียญต่างๆ เหรียญบลเหลียนเงินเหลียนทองเพือ่อเวลาได้มาเรารู้สึกโอ้โหมีความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในใจหายไปแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวดีใจไม่กี่วันก็ต้องไปชิงแชมป์ต่ออีกแล้วมีรายการใหม่มาท้าทายแล้วพอแพ้ก็เสียใจในที่สุด ทุกไปนี่แหละคือศัตรูที่มาสร้างความทุกข์ใจต่างๆให้กับพวกเราหัวหน้าของศัตรูนี้เราเรียกว่าอาวิชชามรือโมหะแปล ว, ว่าอาวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องความเรื่องของความสุขความทุกข์ของใจของพวกเราว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรกันไม่รู้จริงๆ ไม่รู้ว่าความทุกข์ใจของพวกเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการบกพร่องทางปัจจัยสี่บกพร่องทางราบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่อย่างไดแต่เกิดจากการอยากได้ได้ได้สิง่งต่างๆจากทางร่างกายได้จากทางราบยศสารเสริญสุขนั่นเองทางร่างกายก็อยากใช้ร่างกายแข็งแรง ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายมีอายุยืนยาวนาะนปลอดภัยจากภัยต่างๆพอมีอะไรมากระทบกับร่างกายหน่อยะนั้นใจก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นม า, ท, าทันทีแล้วก็อยากให้ราบยศสรรเสริญที่เรามีอยู่นี้จเจริญ ง, งอกงามเพิ่มขึ้นไป ถ้ารวยร้อยล้านก็อยากจะรวยเป็ น, 1, น, นพันล้านอยากจะร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านขึ้นไปถ้ามีตำแหน่งก็อยากจะได้สูงขึ้นไปจากนายสิบก็เป็นนายร้อยจากนายร้อยก็เป็นนายพันจากนายพันก็เป็นนายหมื่นคือไม่มีวันสุดไม่มีสิ้นสุดได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วพอไม่ได้ก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา อันนี้แหละเป็นตัวที่ทำสร้างความทุกข์ใจให้กับพวกเราคือความอยากต่างๆอยากในเรื่องของร่างกายอยากในเรื่องของราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภทภพะชนิดต่างๆพอไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่แทนที่เราจะมาแก้ด้วยการระงับความอยาก เรากลับไปส่งเสริมความอยากอยากให้ร่างกายมันแข็งแรงก็ต้องหาวิธีทําให้มันแข็งแรงเวิ่งกันแต่เช้ามืดวิ่งกันวันละสิบโลยี่สิบโลมันก็แข็งแรงชั่วคราวเท่านั้นแหละร่างกายของเรามันสู้กับเวลาไม่ได้หรอกตอให้เราดูแลเลี้ยงดูร่างกายให้มันดีขนาดไหนพอเวลาผ่านไปผ่านไป มันก็ร่วงโรยไปตามการตามเวลาเคยวิ่งสิบกิโลก็ล้นเหลือห้ากิโลห้ากิโลก็ล้นเหลือกิโลหนึ่งต่อไปก็วิ่งไม่ไหวเดินเคยเดินต่อไปอาจจะเดินไม่ไหวกต้องนั่งนั่งรถแทนก็ได้อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายที่มันขัดกับความต้องการของใจ ใจก็เลยไม่สบายอยู่เรื่อยๆไอตัวไวรัสของใจก็คือความอยากต่างๆนี่ อ, อยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งต่างๆทางตาหูจมูกริ้นกายที่มาสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้กับใจของพวกเราอยู่อย่างต่อเนี่อพระพุทธเจ้าจึงต้องบังคับให้พวกเราถ้าเป็นชาวพุทธนี่ ห้หยุดทำงานสมัยโบราณเขาหยุดทำงานกันวันหรือสองวันก็ได้ไม่ทราบอาจจะมีวันโกนอีกวันหนึง่งแล้วก็วันพระที่จะหยุดทำงานกันแล้วก็เข้าวาัดเข้าว่ากันเพื่อมาทำภารกิจของพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธนี้ไม่ใช่เป็นพุทธแต่ชื่อเฉยๆนะ พอแม่เป็นพุทธมีทะเบียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านว่าเป็นชาวพุทธแค่นี้ยังไม่ถือว่าเป็นชาวพุทธนะเพราะจะจะเป็นชาวพุทธด้นี้ต้องทําหน้าที่ของชาวพุทธให้สมบูรณ์เหมือนกับเป็นตำรวจหรือเป็นทหารเนี่ยใส่เครื่องแบบแล้วแต่ไม่ไปทําหน้าที่ก็ไม่เป็นตำรวจไม่เป็นทหารเป็นนักเรียนแต่งเครื่องแบบเป็นนักเรียนแต่ไม่ไปโรงเรียน อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเพราะว่าไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับตนเองที่ประโยชน์ที่คุณจะได้จากการทำหน้าที่เหล่านี้ทางพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันถ้าเราจะเรียกตัวเราเองว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนี้เราต้องทำหน้าที่ของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหายให้กับพวกเราไว้ทากัน ถ้าเราไม่ทำหน้าที่เหล่านี้ก็เหมือนกับนักศึกษาที่มีแต่ชุดนักศึกษานักเรียนแต่ไม่ไปโรงเรียนไม่ไปสถานที่ศึกษาจะให้ใส่ชุดนี้ไปกี่สปีก็ไม่ได้จบปริญญาไม่ได้ความรู้อะไรจากการใส่ชุดเหล่านี้อัในใดการที่ถือว่าตนเองเป็นชาวพุทธเราก็ไม่เคยทำหน้าที่ของชาวพุทธเลยไม่รู้เสียด้วยซ้าไปว่าเป็นชาวพุทธนี้มีหน้าที่อะไรบ้าง อันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นพุทธแต่ชื่อแต่ตัวนี้เป็นนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงที่ได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องทําหน้าที่ของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าทรง มอบให้กับพวกชาวพุทธเราทําันหน้าที่ของชาวพุทธเรานี่มีอยู่สองหน้าที่ใหญ่ๆด้วยกันท่านเรียกว่าธุระธุระที่เราต้องมีต้องทํากันมีสองธุระด้วยกันอันแรกเรียกว่าคันธะธุระอันที่สองเรียกว่าวิปัสนาธุระคันธะธุระแปลว่าศึกษา เรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนานั่นเองคำสั่งคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้สอนเพื่อให้เราได้เกิดความรู้เกิดความฉลาดเกี่ยวกับชีวิต จ, จิตใจของตัวพวกเราเองเพื่อให้พวกเรานี้รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์หรือป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นกับใจของพวกเราให้ใจของเรานี้มีแต่ความสุขอย่างแท้จริงตลอดเวลา นี่คือการศึกษาต้องเรื้องต้นต้องศึกษาก่อนว่าเราเป็นอะไรเราต้องทำอะไรตอนนี้เราสุขหรือเราทุกข์ที่เราทุกข์ทุกข์เพราะอะไรที่เราไม่สุขไม่สุขเพราะอะไรอันนี้เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ก่อนรู้เมื่อเรารู้แล้วก็เราจะได้ไปทำธุระที่ขั้นที่สองต่อไปที่เรียกว่าวิปัสสนาธุระ คือเอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้นี้มาทำให้มันแจ้งให้มันเป็นของจริงขึ้นมาความรู้ที่เราเรียนนี้ยังเป็นความจําอยู่ยังไม่ได้เจอตัวมันเจอแต่ชื่อเพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำทานรักษาศีนั่งสมาธิภาวนาอันนี้เป็นชื่อเรายังไม่ได้เจอตัวของมันจะเจอตัวของมันเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากตัวของมันนี้ ต้องเกิดจากการปฏิบัติมีปั ส, สนาทุระคือทำตัวตัวนี้ให้เป็นตัวเป็นตัวจริงเปลี่ยนตัวจากชื่อให้มันเป็นตัวจริงขึ้นมาเหมือนตอนนี้เรามีคนแนะนำให้รู้จักคนนั้นคนนี้เขาให้นามบัตรของของคนนั้นคนนี้มาว่านายคนนั้นชื่อนี้แต่เราก็พเพียงแต่ได้ชื่อของเขายังไม่ได้เจอตัวของเขา ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรนี่เราก็ต้องไปเจอตัวเขาติดต่อผ่านทางน้ำบัตรเขามีเบอร์มีอะไรเราก็ติดต่อไปนัดพบกันที่ไหนเห็นหน้าเห็นตากันได้พูดจาได้คุยกันก็จะรู้ว่าออคนนี้เขาเป็นอย่างไรดีไม่ดี เป็นอย่างไรเราก็จะได้รู้จักเขาอย่างแท้จริงนี่คือแปลว่า ว, วิปัสสนาธุระทำความจริงให้ปรากฏขึ้นแก่ใจของพวกเราให้เราเห็นความจริงที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแต่พวกเราตอนนี้ยังไม่เห็นตามที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเราต้องศึกษาเนี่ยด้วยการมาวัดในวันพระกันสมัยก่อนต้องไปที่วัดในวันพระ พราะไม่มีที่อื่นที่จะมีการแสดงธรรมสมัยก่อนไม่มีสื่อต่างๆเหมือนอย่างที่เรามีกันอยู่ในสมัยนี้หนังสือก็ไม่มีอะไรอย่าว่าแต่พวกถ่ายทอดสดอะไรอย่างนี้เลยอันนี้เป็นของเพิ่งมาเกิดขึ้นในระยะสิบกว่าปีหลังนี้เท่านั้นแต่ก่อนนั้นสมัยยุคพุท ธ, ธกาลสมัยยุคไทยโบราณนี้ต้องเข้าวัดกัน เพราหนังสือก็อ่านไม่เป็นกันคนส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษาเรื่องหนังสืออ่านไม่ได้ถึงแม้จะมีธรรมะอยู่ในหนังสือก็อ่านกันไม่ออกอก็เลยต้องอาศัยการฟังอย่างเดียวการฟังจากการเทศของพระพระก็อาจจะมีเทศอยู่สองแนวทางถ้าท่านไ ม, ม่ไม่มีความรู้จริงเองท่านก็เอาเทศของพระพุทธเจ้ามาอ่านให้พวกเราฟังอ่านพระสูตรต่างๆ เวลาพระเทศท่านจะมีใบลานนั่งเปิดอ่านกั น, น, นแสดงว่าท่านตัวท่านเองยังไม่รู้ธรรมะที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็ลเลยต้องคัดเอาธรรมะที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงแสดงนี้มาอ่านให้ฟังกันแล้วก็มีเทศอีกแบบหนึ่งคือเทศจากพระพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่ท่านได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว อยู่ในใจของท่านแล้วท่านก็ไม่ต้องอาศัยใบลานเวลาท่านเทศนนี้ท่านเทศจากใบลานคือใจของท่านท่านได้ทำวิปษษัสสนาดูแจ้งเห็นจริงในธรรมต่างๆหมดแล้ว <c oughs> ก็เลยไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องไปเอาใบลานมาอ่าน <c oughs> เอาใบลานที่มีอยู่ในใจของท่านนี้ออกมาอาให้ท่านทั้งหลายฟัง นี่คือการฟังธรรมในยุค ป, ปัจจุบันก็มีอยู่สองรูปแบบฟังธรรมโดยการอ่านใบลานและการฟังธรรมจากใจของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็สมัยนี้ดีกว่าสมัยก่อนคือถ้าเราไม่สะดวกที่จะมาวัดเราก็าอยู่ที่บ้านก็ฟังธรรมได้ มีทั้งสดเช่นตอนนี้มีการถ่ายทอดสดแล้วก็มีของที่บันทึกไว้แล้วทาที่สแสดงไว้แล้วแล้วก็เอามาเอามาเล่นใหม่เอามาสแสดงใหม่ก็สามารถดูย้อนหลังได้ดูทางถ่ายทอดสดดูย้อนหลังหรือไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ดูหนังสือพิธรรมะก็ได้ หนังสือธรรมะก็มีหลายรูปแบบด้วยกันธรรมะที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกพระสูตรต่างๆอันนี้ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วคำสอนของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ได้มีการแสดงและบันทึกเอาไว้เป็นหนังสือก็เอามาอ่านมาศึกษาได้เหมือนกันอันนี้คือวิธีการศึกษาทำคันถะธุระ ไม่จำเป็นที่จะต้องมาที่วัดเสมอไปถ้าไม่สะดวกที่จะมาที่วัดไม่มีรถไม่มีใครพามาก็ศึกษาที่บ้านได้ฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะเพื่อเราจะได้ความรู้เดล๋เราจะได้เข้าใจว่าปัญหาของพวกเรานนั้นอยู่ที่ตรงไหนกัน ปัญหาของพวกเราก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่การไม่รู้ความจริงต่างๆเกี่ยวกับชีวิตของพวกเราเองแม้แต่ชีวิตของพวกเรานี่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเรามีส่วนประกอบอะไรกันบ้างเราก็คิดว่าเรามีเพียงร่างกายเพียงส่วนเดียวเท่านั้นเองพอมีร่างกายเพียงส่วนเดียวเราก็เลยพุ่งไปที่การดูแลร่างกายเพียงอย่างเดียว ไม่ไม่ดูแลจิตใจดังนั้นต่อให้เราดูแลร่างกายให้ดีขนาดไหนก็ตามจิตใจถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องจิตใจก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาดูแลร่างกายให้ดีไปจนถึงวันแก่วันเจ็บวันตายมันก็ไม่ได้ไปทําให้ความไม่สบายใจความทุกข์ใจต่างๆหายหมดไปได้เพราะเราไม่รู้จัก ตัวเราเองว่าเราเป็นอะไรกันดัน้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักตัวของพวกเรากันก่อนว่าพวกเรานี้เป็นอะไรกันแน่เป็นอย่างที่เราคิดอย่างที่เขาบอกกันหรือเปล่า ว, ว่าเป็นหญิงเป็นชายมีชื่อมีนามสกุลอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเราเป็นอย่างอื่นที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นชีวิตของพวกเรานี้มีอยู่สองส่วนใหญ่ๆอย่างที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นคือมีร่างกายแล้วก็มีจิตใจร่างกายนี้ก็มีส่วนประกอบขึ้นมาอยู่ส4ส่ส่วนด้วยกันที่เราเรียกว่าธาตุสีการเกิดมาของร่างกายนี้เกิดมาจากการรวมตัวของธาตุสี่ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่พวกเรากำลังเติมกันอยู่อย่างต่อเ น, นื่องธาตุลมนี่เราต้องเติมตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีเวลาหยุดต้องเติมลมเอาลมใหม่เข้าเอาลมเก่าออกไปเพราะลมเก่าเป็นพิษต้องการลมใหม่ลมที่สะอาดถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกาย เพื่อขับถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะในร่างกายของเรานี้มีปฏิกิริยาทางเคมีที่จาเป็นที่จะต้องเอาเอาออกซิเจนนี้มาม า, มาทำเพื่อเสริมเพื่อสร้างอวัยวะต่างๆแล้วก็จะมีลมเสียที่เกิดจากการปฏิกิริยาทางทางเคมีนี้ จากออกซิเจนก็จะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์นี้เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายร่างกายจึงต้องขับออกมาสลับกันหายใจเข้านี้ก็ออกซิเจนเข้าไปหายใจออกก็คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถ้าใครไปสูดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวตายคนที่เข้าข้าตัวตายเขาทำแบบนี้เขานั่งอยู่ในรถแล้วเขาก็ต่อต่อท่อจาก ท่าอไอเสียท่าอไอเสียนี่ก็มีแต่คาร์บอนไดออกไซด์แล้วปลายท่อนี่มาเจาะไว้ในรถปิดกระจกพอปล่อยให้มีในห้องมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์เดี๋ยวร่างกายก็ไม่ทำงานคนที่อยู่ในห้องก็สลบสลายไปตายไปเพราะมีแต่อากาศที่เป็นพิษทำลายร่างกายนี่คือ ร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เป็นธาตุมีความจำเป็นที่จะต้องขับเติมธาตุใหม่เอาธาตุเก่าออกตลอดเวลาธาตุลมนี่ก็เอาออกซิเจนเข้าแล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาธาตุน้ำก็เอาน้ำที่สะอาดก็ H2O ม, มีทั้งออกซิเจนมีทั้งไฮโดรเจนรวมกันเข้าไปแล้วก็เอาไป เอาไปทําหน้าที่ในการเสริมอวัยวะต่างๆเสริมสร้างอวัยวะต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นะกระดูกนี้ไปผสมกับธาตุลมที่เราเข้าไปผสมกับธาตุน้ำไอธาตุดินที่เราเอาเข้าไปธาตุดินก็คือพวกอาหารต่างๆนะียของที่เป็นผักเป็นดินเป็นเนื้อเป็นน่เนนะเป็นข้าวเราเรียกว่าธาตุดิน เข้าไปผสมกันธาตุดินธาตุ น, าน้าธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟที่เราได้จากแสงสว่างแสงผอาทิตย์ความร้อนนี่เข้าไปมันก็เลยทำให้มีการทำงานของธาตุทั้งสีนี้ธาตุทั้งสีนี้เมื่อมารวมกันมันก็เลยผลิตหรือเสริมสร้างอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราตอนต้นเวลาอยู่ในท้องแม่ไม่มีอะไรเลยก็สร้างขึ้นมา สร้างอวัยวะแต่ละชิ้นขึ้นมาสร้างหัวใจสร้างปอดส ร, สร้างตาสร้างไตสร้างกระดูกสร้างอะไรขึ้นมาตามลาดับด้วยการเอาธาตุสีที่แม่เอาเข้าไปในท้องเนี่ยเอามาสร้างกันพอเราออกมาจากท้องแม่แล้วเราก็เติมของเราเองกันหายใจเองอย่างเด็กพอออกมาจากท้องแม่ปั๊บนี้ต้องหายใจเองจะร้องเพราะตอนต้นไม่ไม่รู้จักวิธีหายใจ หมอต้องกระตุ้นใช่ไหมเลวลาเด็กคลอดออกมานี้ต้องกระตุ้นให้เด็กหายใจพอพอเ พ, เพื่อจะได้เอาธาตุลมเข้าเอาธาตุลมใหม่เข้าเอาธาตุลมเก่าออกไปแล้วก็เดี๋ยวก็ให้น้ํานมน้ํานมนี่ก็มีทั้งธาตุน้ำและธาตุดินผสมกันเข้าไปแล้วก็ถับถ่ายออกมาเป็นอุจจลระธาตุดินก็ถ่ายออกมาเป็นอุจจาะธาตุน้ําก็เป็นปัสสาวะ นี่นี่คือการเข้าออกของธาตุทั้งสี่ของร่างกายเห็นถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์มองตามหลักความเป็นจริงแล้วร่างกายนี้มันเป็นโรงงานโรงงานที่มีมีวัตถุดิบสี่ชิ้นสี่อย่างคือดินน้ํานมไฟแล้วก็มีการขับถ่ายอาของของเสียออกมาโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งก็เป็นอย่างเนี้ มีวัตถุดิบแล้วก็มีของเสียที่เขาเขาขับถ่ายออกมาจากการการผลิตของสิ่งต่างๆของเาร่างกายก็ผลิตหรือเสริมสร้างอาการ32ด้วยการเอาธาตุสีคือดินน้ำลมไฟเข้าไปแล้วก็เอาขับถ่ายธาตุสีที่ที่เสียออกมา เป็นน้ำปัสสาวะเป็นอุจจระเป็นลมหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ความร้อนเก่าวก็ระบายออกมานี่คือปฏิกิริยาทางเคมีของทางร่างกายเั้นจะว่าร่างกายจริงๆนี่นก็เป็นแค่เป็นเป็นขบวนการของของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหมือเคมีนั่นเอง ไม่มีอะไรไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราของเราอยู่ตรงไหนบ้างมีไหมในร่างกายของเรานี่ที่เราไปเรียกว่าเป็นเราของเราเนี่ยมันมันเป็นเราของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ผมขนเล็บฟันนี่มันเป็นเราของเราขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันไม่เคยเป็นเราเป็นของเราเลยแต่ใจนี่อีกส่วนหนึ่งของ ร, างา ini, อองร่างกายเนี่ยมันไปไปยึดไปติดกับร่างกายไปเชื่อมต่อกับร่างกายเนี่ย ใจนี้ก็มีอยู่มีมีเจ้าหน้าที่ของใจอยู่สี่คนด้วยกันทำหน้าที่ให้กับใจที่เราเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือความรู้สึกต่างๆรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่รู้ไม่สุขไม่ทุกข์นี้คือเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้จำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นใครเป็นอะไร เรียว่าสัญญาสังขารความคิดปรุงแต่งคือคิดว่าจะทําอะไรดีคิดจะมาวัดดีไหมคิดจะไปช้อปปิง้งคิดไปเที่ยวอันนี้เรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งและวิญญาณคือผู้ที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูก น, นิ้วกายเข้ามาที่ใจร่างกายกับใจนี้เป็นสองขนเป็นอินกับจันเชื่อมเชื่อมต่อกันด้วยวิญญาณ ผ่านทางอายตนะหของร่างกายวิญญาณมาเกาะที่ตาเพื่อรับรูปมาเกาะที่เสียงเพื่อรับเสียงมาเกาะที่หูเพื่อรับเสียงมาเกาะที่ลิ้นเพื่อรับรสมาเกาะที่จมูกเพื่อรับกลิ่นและมาจากมาเกาะที่ตัวร่างกายทั้งตัวนี้เพื่อรับสัมผัส ต, ต่างๆที่มากรเท่ากับร่างกายเช่นความหนาวความร้อนความเย็น ความนุ่มความแข็งของอะไรต่างๆที่มากระทบกับร่างกายถ้าใจไม่มีวิญญาณ ใ, ใจจะไม่รู้เรื่องของร่างกายเลยว่าเป็นอะไรถ้าเกิดวิญญาณไม่ทำงานหน้าที่นี้ใจก็จะเป็นเหมือนถูกตัดขาดจากร่างกายไปและเวลาคนตายไปเนี่ยมันก็ตัดตรงเนี้ยตรงที่ตัวตัววิญญาณ น, นี่ยพอเวลาร่างกายตายไป ร่างกายก็ไม่สามารถส่งสัญญาณทางตาหงจมูวลิ้นกายไปให้กับวิญญาณได้เมื่อวิญญาณไม่มีไม่มีสัญญาณมาวิญญาณก็เลยหยุดทางานจิตตอนนั้นก็เลยไม่รู้เรื่องของร่างกายอย่างเช่นตอนที่เรานอนหลับเนี่ยก็เป็นเหมือนกับที่ตอนที่ตอนที่วิญญาณหยุดทำงานเพราะร่างกายหยุดทำงานไม่ไม่ส่งสัญญาณต่างๆมาทาง ทางให้กับใจหลับตาหูไม่ฟังอะไรหมดสตินอนครอกครอบอยู่ตอนนั้นวิญญาณก็ไม่มีอะไรที่จะส่งมาให้ทางใจใจก็เลยอาศัย เ, เหตุการณ์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสผลทพท่าที่สัญญาบันทึกเอาไว้ความจำเอาเรื่องต่างๆที่เคยไปทำนูน่นทำนี่มา ผลิรายการเป็นละครให้ใจดูในขณะที่นอนหลับเราเรียกว่าความฝันไงความฝันนี่เกิดจากสัญญาตัวทํางานเอาความเรื่องราวต่างๆที่เคยไปทําไปอะไรมาแล้วก็มาใช้สังขารความคิดปรุงแต่งเอาเรื่องราวเก่านี้มามาปรุงแต่งใหม่มาม า, มาแต่งใหม่ยังไเวลาที่เราทําเรื่องราวที่ดี เราก็มักจะมีเรื่องราวมาม า, มาปรุงแต่งเป็นเรื่องที่ดีถ้าเวลาที่เราไปทำเรื่องที่ไม่ดีเราก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีมาให้เราปรุงแต่งถ้าเราทำเรื่องไม่ดี <c oughs> เวลาเรามักจะมีเรื่องที่ไม่ดีเป็นความฝันฝันร้ายเราเรียกว่าฝันร้ายถ้าเราไปทะเละวิวาสกับคนนั้นมีเรื่องมีราวไปฆ่าฟันไปฉกชิงวิ mm. ่งราวไปเบียดเบียนผู้อื่นมันก็จะฝังไว้ในใจของเรา เวลาที่เรานอนหลับไอ้ตัวนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วสังขารความคิดปรุงแต่งก็เอาผสมปรุงแต่งมาแต่งเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาเรื่องที่โหดร้ายกว่าเดิมทะได้สร้างไปเคยไปฆ่าเขาก็ไปปรุงแต่งกลับมาเขาตามฆ่าเราแล้วสิทีนี้ก็จะฝันร้ายเคยไปทำร้ายใครมันจะฝันกลับกันฝันเพราะมันกลัวไง ก, ก, กลัวกลัวจะถูกถูกทาร้ายมันก็จะเอาเรื่องความกลัวนี่มาฝัน เเวลาเราทำบาปเราก็จะสะสมเรื่องราวที่ไม่ดีไว้ในใจของเราแล้วถ้าเราทำบุญเราก็จะสะสมเรื่องที่ดีไว้เช่นวันนี้ตอนเช้าได้ใส่บาตรตอนกลางวันได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มีแต่ตอนเย็นได้นั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิมีแต่ทำแต่เรื่องดีๆนะเวลานอนหลับมันก็จะมีเรื่องดีๆให้เรามาคิดปรุงแต่งกัน นี่คือเรื่องราวของใจในขณะที่แยกออกจากร่างกายชั่วคราวหรือหรือถาวรชั่วคราวก็คือเวลาที่เรานอนหลับถ้าถาวรก็คือเวลาที่ร่างกายตายไปร่างกายตายไปใจของเราก็จะอยู่ในโลกของความฝันฝันเรื่องดีเรื่องไม่ดีตามกำลังของบุญหรือบาปที่เราได้ทำเอาไว้มันอยู่ที่ว่าบุญกับบาปตัวไหนมีกำลังมากกว่ากัน ถ้าบาปมีกำลังมากของบุญก็จะมีแต่ฝันเรื่องไม่ดีให้เราได้ฝันันฝันไม่ดีเราเรียกว่าอาบายฝันว่าไปเป็นเปรตฝันว่าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานฝันว่าไปเป็นอสู ร, รกายฝันว่าไปยินรกอันนี้มันจะเกิดจากบาปที่เราได้ทําในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาที่ร่างกายตายไปจิตมันก็จะเอาเรื่องบาปเหล่านี้นมาปรุงแต่ง มาสร้างความทุกข์สร้างความหวาดกลัวสร้างความหิวโหยให้กับใจขอามันก็จะทาไปจนกว่ากำลังของบาปมันหมดกำลังลงแล้วก็เท่ากับกำลังของบุญบุญมีอยู่แต่บุญมันยังมีกำลังไม่มากกว่าบาบมันก็ยังทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นก็จะไม่มีไม่มีหนังให้ให้ใจดูเพราะบุญก็ไม่มีกำลังที่จะผลิตบาปก็ไม่มีกาลังที่จะผลิต เวลานั้นใจก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ในทางตรงกันข้ามถ้าเวลาตายไปบุญมากกว่าบาปบุญก็จะผลิตแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องสุขเรื่องสบายเรื่องแต่มีแต่ความบันเทิงอันนี้เราก็เรียกว่าฝันดีฝันดีในขณะที่ตายเราก็เรียกว่าสวรรค์ฝันร้ายในขณะที่ตายเราก็เรียกว่าอบาย ุติสุขติมีสองนั่นสุขติก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆเวลาที่เราตายไปแลบุญเป็นผู้ผลิตรายการให้เราดูแต่ถ้าบาปเป็นผู้ผลิตรายการมันก็จะมีแต่เรื่องทุกขติเรื่องอบายต่างๆจกามันจะหมดเรื่องต่างๆที่มันเอามาผลิตมันหมดเมื่อไหร่มันก็จะยุติการผลิตชั่วคราว บุญก็ไม่มีกำลังที่จะผลิตเพราะบุญไม่มากกว่าบาปบาปก็ไม่มากกว่าบุญเวลาบุญกับบาป ท, ที่มีอยู่ในใจของเราเท่ากันเนี่ยมันจะยุติการผลิตแล้วเวลานั้นมันก็จะมาหลอรับร่างกายของมนุษย์แล้วพอมาเชื่อมต่ อ, อมนุษย์ปั๊บเนี่ยมันก็มันก็รอให้มนุษย์นี้ร่างกายจเจริญเติบโ ต, ตด้วยธาตุสีท่ทีน้ำลมไฟ แล้วพอคลอดออกมาก็เริ่มเริ่มรอให้ร่างกายนี้มันเริ่มมีกำลังเพื่อที่จะรับใช้ตอบสนองความต้องการของกิลเลสที่มีในใจต่อไปนี่คือเรื่องราวของร่างกายกับจิตใจของวกเราพูดโดยตามหลักทมแล้วก็เป็นเหมือนวิทยาศาสตร์ดีๆนี่เองร่างกายก็เป็นเพียงการทำงานของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ใจก็เป็นการทำงานของนามขันทั้งสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารที่มีกิเลสตัณหาเป็นผู้บงการใจของพวกเราทุกคนที่มาเมาเกิดมามีร่างกายนี้มันมาเพราะถูกกิเลสตัณหาเป็นตัวบงการเพราะกิเลสตัณหาต้องการราบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แลการที่จะหาราบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นี้ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือพอเวลาไม่มีร่างกายมันก็ไปรอรับร่างกายหลังจากที่มันมันมันไม่มีไม่มีบุญหรือบาปผลิตรายกายให้มันได้เสพแล้วมันก็มารอรับร่างกายพอร่างกายได้ร่างกายพอข้อเรามาก็ ควบคุมบังคับวงการร่างกายให้ทำตามความอยากอยากดูก็ไปหาอะไรมาดูอยากฟังในขนาดเด็กมันยังอยากดูเลยนะพ่อแม่ถึงต้องซื้อของเล่นมาให้ดูนะมีปลาปลาแขวนอยู่บนบนเตียงเวลา น, นอนหงายหน้าขึ้นไปจะได้เห็นอะไรตรุตร๊กตงตงุ๊กตาส่งเสียงอะไรต่างให้มันเพลิดเพลินไงถ้ามันไม่มีอะไรเงียบๆไม่มีอะไรดูมันจะร้องมันจะรบกวนพ่อแม่ พ่อแม่เลยต้องคอยหาซื้อตุ๊กตาต่างๆมามาหลอกมาล่อไม่ให้มันมาสร้างความวุ่นวายให้กับพ่อแม่อันนี้ก็เพราะความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายของใจที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหามาเสกนั่นเองงั้นสรุปก็คือร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงดินน้ำลมไฟธาตุสี่ใจก็ไม่มีตนไม่มีตัวมีแต่ มีแต่การทำงานของขันที่เลวานามขันก็คือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่งและวิญญาณการรับรู้รู ป, รปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มาสัมผัสทางหูจมูกเนื้องการแต่ประเด็นที่เกิดตัวตนขึ้นมาก็คือจากเอาวิชาโมหะคือความหลงหลงไปคิดว่า ตัวคิดนี้เป็นตัวเรามีเราเป็นผู้คิดตัวจําได้ไหมรู้ก็เป็นเราเป็นผู้จำํำเวทนาก็ไปมาไปเหมาว่าเป็นเราเป็นผู้เจ็บผู้สุขหรือผู้ทุกข์วิญญาณก็เป็นเหมาว่าเราเป็นผู้รู้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ไปตอบสนองและทําตามความอยาก อยากได้ลูกเสียงกลิ่นรสก็สั่งให้ร่างกายไปแสวงหามาอยากได้ลาบยศสารเสญก็สั่งไปแสวงมาแล้วก็ไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเองอันนี้เกิดจากความหลงโมหะอวิชชาไม่รู้ว่าไม่มีตัวตัวเราเป็นเพียงเป็นแต่เพียงแต่ตัวรู้ตัวตั ว, ตวรู้ ตัวนามขันรูปเมทนาสัญญาสังขารมิญญาร่างกายก็เป็นเพียงแต่ดินน้ำนมไฟไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็ไม่อยู่อย่างถาวรด้วยของพวกนี้มันต้อ ง, อ ง, องมีวันสิ้นสุดลงเนี่ยทั้งร่างกายอยู่ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะต้องย่อยสลายกลับคืนสู่สภาพเดิมดินน้ำนมไฟที่มารวมกันในร่างกายนี้ต่อไปมันก็แยกออกไป สิ่งที่ไปสิ่งแรกก็คือลมใช่ไหมสิ้นลมคนสิ้นลมแล้วสิ่งที่สองที่ตามไปก็คือไฟร่างกายก็เย็นเราเราไม่จับร่างของคนตายอีกแล้วส่วนที่สามถ้าเราไม่ได้เอาไปแช่เย็นหรือปล่ให้มันให้มันให้มันเน่าตามธรรมชาติมันก็จะมีน้ําต่างๆไหลออกมาไหลจน ก, กว่าน้ําในร่างกายมันเหือดแห้งไป ก็จะกลายเป็นส่วนที่เหลือคือของแข็ ง, งต่างๆเช่กนกระดูหนังที่แห้งอะไรพวกนี้อวัยวะที่แห้งไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนของดินเป็นส่วนสุดท้ายที่จะผุพังกลายเป็นดินไปในในเวลาต่อไปพระพุทธจ้าจึงสอนว่าร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวเราร่างกายนี้เป็นตัวธาตุสี่ดินน้าลมไฟเป็นของธรรมชาติ ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งมันได้ว่าจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปตลอดมันไม่มันไม่มีมันไม่ฟังเราจะให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็สั่งไม่ได้จะให้มันไม่แก่ก็สั่งไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศนี่เราไปสั่งดินฟ้าอากาศไม่ได้วันนี้อย่าตกนะมีญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมกันเกิดมันอยากจะตกขึ้นมามันก็ตกแหละถ้ามันมีเหตุปัจจัยทาให้มันตกมันก็ตก ร่างกายก็เช่นเดียวกันมีเหตุมีปัจจัยให้มันแก่มันก็แก่มีเหตุมีปัใจใปจัยทำให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยมีเหตุปัจจัยทำให้มันตายมันก็ตายนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อจะได้ไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะความทุกข์ของใจเราเกิดจากความอยากให้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปให้ได้ อยากให้ร่างกายไม่แก่มันเป็นไปไม่ได้แต่ก็อยากกันนั่นแไปทำหน้าทาตาทาจมูกทาอะไรทำพุงทำอกทำอะไรกันทำยังไงมันก็ในที่สุดมันก็มันก็แก่อยู่ดีไปหาวิธีรักษาโรคภยัยไข้เจ็บใช้ต่างๆมายังไงมันก็หนีไม่พ้นโรคภยัยไข้เจ็บอยู่ดีจะไปป้องกันไม่ให้มันตายก็ป้องกันไม่ได้ เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ป้องกันความตายไม่ได้ถึงเวลามันจะตายมันไม่มีใครมายับยั้งมันได้เพราะมันเป็นภาวะของธรรมชาติเราต้องมองร่างกายนี้ว่าเป็นเป็นภาวะทางธรรมชาตินะไม่ใช่เป็นตัวเราของเราที่เราจะสามารถที่จะมาควบคุมบังคับสั่งให้สั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ทำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองเช่นตอนนี้ก็ถ้ายังไม่แก่ก็ยังพอที่จะ ชะลอความแก่ได้บ้างมีวิธีการต่างๆทางหน้าทางตาทางอะไรเขาก็ทํากันไปแต่ไปถึงขีนหนึ่งแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วมันจะเหี่ยวจะ ย, นย่นอยู่ของมันอย่างนั้นทำเท่าไหร่มันก็เหี่ยวก็ย่นอยู่ก็ต้องรู้ว่าร่างกายนี้มีอยู่สองระดับด้วยกันที่เราสามารถดูแลจัด ก, การได้ในระดับหนึ่งแล้วก็อีกระดับอย่างนี้เราทําอะไรมันไม่ได้ ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเรนี้เราจะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรานี่แหละคือความทุกข์ของใจของเราเนี่ยมันเกิดจากความอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้งั้นอย่าไปอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าอยากจะอยากให้มันอยากในสิ่งที่เป็นได้ดีกว่าอยากแก่เนี่ยมันเป็นได้อยากเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นได้อยากตายเนี่ยมันเป็นได้ง่าย แล้วไม่เสียใจด้วยเพราะมันได้ดังใจอยากอยากแก่เดี๋ยวก็แก่ไม่ต้องกลัวหรอกอยากเจ็บเดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวก็มีโรคภัยไข้เจ็บตามมาอยากตายเดี๋ยวมันก็ตายของมันเองแต่อย่าไปทําให้มันตายเท่านั้นนะอยากเฉยๆได้อยู่อยากแบบนี้แล้วจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุกข์เนี่ยพระเจ้าถึงสอนให้ชาวพุทธเราเราเลิกถึงเรื่องของร่างกายอยู่ด้วยว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาอเะฉะนั้นอย่าไปฝืนมันถ้าอยาก ถ้าจะอยากก็อยากให้มันแกเพราะมันจะไม่ผิดหวังอยากให้มันเจ็บไายได้ป่วยมันจะไม่ผิดหวังเามาื่อไหร่จะติดโควิดจะทีว่าอยากจะติดแล้วเกิน <laughs> <laughs> พอติดปักโอ้ยดีใจมันไ ด, ได้ได้ทำตามความอยากาให้ให้อยากในความเป็นไปได้ให้ให้อยากกับความเป็นจริงพูดยยง่ายๆนะแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าไปอยากกับความไม่เป็นจริงนี่มันจะทุกข์ไม่อยากพัดพากจากกันนี่ทุกข์ เมื่อวันก่อนก็มีสามีภรรยามาร้องห่มร้องไห้บอกสามีกาจะตายแล้วเป็นโรคหัวใจวายแล้วหมอก็ช่วยได้เพียงแต่ทําให้นอนอยู่เฉยๆเป็นเจ้าชายไม่รู้จะทำอย่างไรดีใจก็ทุกข์ก็มาปรึกษาแล้วก็บอกปล่อยให้มันเป็นไปเรื่องของธรรมชาตินร่างกายมันเป็นธรรมชาติเราอย่าไปฝืนธรรมชาติเลย ฝืนน่าไม่เกิดประยู่อะไร อ, อาจจะทำได้เช่นประวิงเวลาไม่ให้เขาตายมีท่อท่ออาหารมีท่อลมมีเครื่องช่วยหายใจเขาก็อยู่ของเขาได้แต่อยู่แบบอะไร่ก็อยู่แบบคนตายอยู่นั่นแหละก็เหมือนเหมือนคนตายอยู่แล้วก็อย่าไปทาดีกว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของเขาไม่ต้องมีเครื่องช่วยหายใจไม่ต้องมีท่อให้อาหารไม่ต้องมีอะไรให้เขาอยู่ตามสภาพตามธรรมชาติของเขา เขาเป็นธรรมชาตินะดินน้ำลมไฟถ้าเขาจะอยู่ต่อไปเขาก็อยู่ได้ดีไม่ดีเขาถ้าเขาจะฟื้นเขาก็ฟื้นขึ้ น, นมาเองแหละถ้าเขาไม่ฟื้นก็เขาก็ยุดติไปใจของเราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาแล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับร่างกายของเขาด้วยตอนนั้นถ้าเขาพูดได้เขาคงบอกหยุดเถิดนะอย่าทาเลยแต่เขาพูดไม่ได้ไ อ, ไ, อไอคนที่ ที่ดูแลก็ไม่ไม่รู้จะตัดสินใจให้เขาเย<ม>อย่างไรอย่างญาติโยมถ้าไม่อยากจะอยู่ในสภาพนี้สั่งไว้เรื่อยๆนะว่าเวลาฉันเป็นอะไรอย่าหาฉันเข้าโรงพยาบาลนะ<ม>ถ้าฉันไม่สั่งให้พาไปโรงพยาบาลไม่ต้องพาไปปล<ม>่อยให้ฉันอยู่ตามสภาพของฉันไปในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปไม่มีใครหนีพ้นได้<ม>นี่วิธีดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายของเราได้ ถ้าเราอยอมรับความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่มใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติทามาจากธรรมชาติแล้วก็เป็นระบบของธรรมชาติที่ทำงานของมันโดยอัตโนมัติลมก็เข้าลมก็ออกของมันน้ำก็เข้าน้ำก็ออกของมันไปให้เราทำอย่างนี้แล้ ว, วใจของเราจะสบายจะไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจกับร่างกาย แล้วก็เราจะได้เอาเวลามาศึกษามาปฏิบัติเรื่องอื่นๆต่อไปอันนี้ก็เรื่องของร่างกายก่อนถ้าเราเข้าใจแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราเราก็จะได้ปล่อยมันไปแล้วเราก็มาศึกษาเรื่องใจของเราคือสี่ตัวนี้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ให้กับใจ เจ้าหน้าที่นหน้าที่คนแรกก็คือวิญญาณวิญญาณก็ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสมาจากตาหูจมูกนิ้นกายพอ ร, รับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาก็มาให้กับสัญญาสัญญาคือความจําได้หมายรู้ว่าถามมันว่าจํารูปคนนี้ได้ไหมจําเสียงคนนี้ได้ไหมว่าเป็นใครมาจากไหนถ้าจําได้ก็บอกอ๋อคนนั้นเสียว น, นี้แล้วเขาเป็นยังไงดีหรือไม่ดีก็จะรู้ดีหรือไม่ดีะ พอ ร, รู้ว่าเป็นใครดีไม่ดีปั๊บถ้าดีก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความสุขเวทนาเวลาเจอคนที่เคยให้เงินนี่พอเจอมันก็สุขเวทนาขึ้นมาเวลาเจอเจ้าหนี้มาทวงนี้มันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราห้ามมันไม่ได้มันทําหน้าที่ของมันไปตามหน้าที่ของมันสุขทุกเวทนานี้มันเกิดจากเนการทําหน้าที่ของสัญญาจากการที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทาง ที่เข้ามาทางวิญญาณแล้วเขาเกิดเวทนาขึ้นมาก็เกิดสังขารความคิดว่าเราจะเอาไงดีล่ะถ้าสุขเวทนาก็อยากใช้ให้มันสุขต่อไปใช่ไหมก็ต้องพยายามรักษาสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไว้เช่นคนนี้เอาให้ความสุขกับเราก็ต้องเชิญให้เขาอยู่นานๆอย่าเพิ่งไปนะอยู่เป็นเพื่อนก่อนอะไรไปแล้วเหงาอะไรถ้าคนนี้มาแล้วมาสร้างความวุ่นวายก็ไปแจ้งความกับงำรวจ ด, ดีกว่าใช่ไหม อันนี้มาสร้างเรื่องสร้างปัญหาต่างๆ น, นี่คือหน้าที่ของสังขารทีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าการทำหน้าที่ของสังขานี้มันต้องรู้ขอบเขตว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้ถ้าสิ่งไหนทำได้ก็ทำไปสิ่งไหนทำไม่ได้เราก็ต้องทำใจเช่นถ้าเกิดเขามาแล้วเราไล่เขาไปไม่ได้เพราะว่าเขามีสิทธิ์อะไรทางกฎหมายหรือทางอะไรก็ตามแต่ เราไม่สามารถที่จะไปกำจัดเขาได้ถึงแม้เขาจะมาสร้างทุกขเวทนาให้กับเราก็ตามแต่เราก็ต้องยอมรับเขาให้ได้เพราะว่าถ้าเรายอมรับเขาได้ใจของเราจะไม่ทุกข์มันมีสองทุกข์นะทุกขเวทนาที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ทุกขใจที่ไปมีปฏิกิริยากับรูปเสียงรูปเสียงกลิ่นรสอีกทีหนึ่งทุกทางใจนี้เราระงับได้ ด้วยการระงับมีการมีปฏิกิริยากับรูปเสียงกินรดคืออย่าไปรักอย่าไปชังเขาวิธีที่จะทำให้เราไม่รักไม่ชังเขาได้นี้เราต้องฝึกสมาธิกันต้องปฏิบัติธรรมกันที่มาปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อให้เราได้อุเบกขาเวลาจิตสงบนิ่งแล้วจะมีอุเบกขาเกิดขึ้นในใจอุเบกขานี่คือความรู้สึกในใจที่ปราศจากความรักชังกลัวหลง ถ้าเรามีอุเบคขาเราไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสชนิดใดเราก็เฉยได้จะรูปที่ไม่ดีเราก็เฉยได้เจะรูปที่ดีเราก็เฉยได้ทดไดแทนที่อยากก็ได้เช่นไปช้อปปิ้งไปเดินดูโอหเห็นเห็นเพชรเห็นของในร้านแล้วโออยากจะได้ขึ้นมาวุ่นวายใจใหญ่เลยก็ดูกระเป๋าเงินเนช็คบัญชีดูจะพอหรือเปล่าจะทํำยังไงจะจะผ่อนเงินจะทําอะไรใจวุ่นวายไปหมด ถ้าเรามีอุเบกขาดูแล้วเฉยๆมันก็อย่างนั้นแหละก็ะสักแต่ว่ารู้ไปใจก็ไม่วุ่นวายใจก็ไม่ทุกข์กับมันนี่คือวิธีที่พระเจ้าสอนให้พวกเราถ้าเราอยากจะรักษาใจเราไม่ให้วุ่นวายไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสทางร่างกายคือทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือพยายามทําใจให้เป็นอุเบกขาพยายามปฏิบัติสมาธิให้มากมาก และการที่จะปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลคือให้ใจสงบได้เราก็ต้องใช้สติถ้าไม่มีสตินี้ใจจะไม่นิ่งไม่สงบเพราะใจนี้เป็นเหมือนรถวิ่งลงเขาอ่เราเคยหยุดความคิดไหมตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยมันไม่หยุดหรอกมันคิดของมันไปได้เด้เดี๋ยวเรื่องนั้นก็เข้ามาเรื่องนี้ก็เข้ามาไม่มีเรื่องมันก็เลือกถึงคนนั้นคนนี้ขึ้นมาให้คิดอยู่ตลอดเวลาแล้วคิดแล้วก็เกิดเรื่องรักชังกลัวหลงขึ้นมา คิดถึงคนนั้นก็รักคิดถึงคนนี้ก็ชังคิดถึงเรื่องนั้นก็กลัวคิดถึงนั้นก็หลงหลงว่าเป็นของเราเป็นของเขาอะไรไปแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจตลอดทั้งวันพอเราไม่เคยรู้หยุดความคิดกันนั่นเองหยุดความคิดไม่เป็นเหมือนรถที่คนขับไม่รู้ว่าเบรกอยู่ตรงไหนรถวิ่งลงเขาอยากจะให้รถมันหยุดแต่ไม่รู้ไปเหยียบคันไหนดีไปเหยียบคันแรงมันเลยวิ่งเร็วใหญ่เลยส่วนใหญ่วิธีเรา เราแก้ความคิดก็คือยิ่งไปเร่งให้มันคิดใหญ่แต่มีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไม่พอคิดหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเติมอีกใจมันก็เลยวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีความสงบไม่มีความสุขไม่มีอเบคาพระเจ้าจึงสอนว่าให้เรามาติดเบรกให้กับใจหรือค้นหาเบรกในใจให้เราให้เจอในใจเรามีเบรกแต่เราใช้ไม่เป็นเบรกก็คือสตินี่ถ้าเรามีสติเราจะหยุดความคิดต่างๆได้ วิธีที่จะทำํำที่วิธีที่จะใช้เบรคก็มีเรียกว่าการเจริญสติด้วยวิธีการต่าง ๆ, ๆการเจริญสตินี้มีเจริญได้ทั้งสี่สิบวิธีเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบส่วนใหญ่เราก็ใช้แค่สองสามวิธีถ้าเรายังเคลื่อนไหวหอยู่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้พุทธานุสติก็ได้พุทธานุสติก็คือให้เราเลิกถึงพุทโธพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้หรือถ้าเราไม่ใช้พุทธานุสติเราก็ใช้กายคตาสติก็ได้คือให้เราจดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้เฝ้าอยู่กับการทําของร่างกายอย่างเดียวกําลังอาบน้ําก็ให้อยู่กับการอาบน้ําอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื Ländern, ่องนี้ให้อยู่กับเรื่องอาบน้ําเรื่องเดียว<อ>กินข้าวก็อยู่กับเรื่องกินข้าวเรื่องเดียวทําอะไรให้ ร่างกายทำอะไรให้อยู่กับเรื่องนั้นของร่างกายก็จะหยุดความคิดเรื่องอื่นๆได้แล้วพอเวลาเรามานั่งสมาธิเราก็จะสามารถนั่งแล้วทำห้ใจให้สงบได้เวลานั่งก็มีวิธีใช้สติอยู่สองวิธีใช้พุทโธต่อก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจเวลาคิดอะไรก็อย่าไปสนใจมันยังแวไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ หรืเวลามีอาการในต่างๆเกิดขึ้นมาคันตรงนั้นเจ็บตรงนี้อยากจะเกินน้ำลายหรืออะไรนี้อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่แต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวหรืออีกวิธีหนึ่งก็ให้ดูลมหายใจเข้า อ, อดูที่ปลายจมูกจุดที่ลมเข้าลมออกมันจะสัมผัสที่ปลายจมูกก่อเราจะรู้สึกว่ามีลมเข้าลมออกตรงนั้นก็ดูแต่ตรงจุดนั้นจออยู่จุดเดียวไม่ต้องเคลื่อน ตามลมเข้าไม่ต้องเคลื่อนตามลมออกเพราะเราต้องการทำใจให้นิ่งถ้าใจยังเคลื่อนตามลมมันไม่นิ่งมันก็จะไม่สงบมันก็จะไม่ได้อุเบกขาอันนี้คือสองวิธีง่ายๆที่เราสามารถมาฝึกทดลองใช้กันแต่ต้องฝึกสติก่อนนะถ้าไม่มีสติเลยมานั่งดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้มันจะเกิดอาการตึงเครียดขึ้นมาบางคนบอกพอนั่งปั๊บนี่เกิดปวดหัว ปวศีรษะปวดหน้าอกปวดอะไรต่างๆขึ้นมาแต่เวลานั่งดูหนังมันไม่เป็นเลยในชะ่ไหมนั่งดูหนังกี่ชั่วโมงมันไม่เป็นนะแต่พอมานั่งดูลมมานั่งพุโทโธนะั้นเป็นขึ้นมาทันทีนั่นก็เป็นเพราะว่ากิเลสมันต่อต้านนะกิเลสมันไม่ชอบให้ใจสงบกิเลสมันชาอบให้ใจคิดนะเพราะกิเลสมันจะได้ใช้ความคิดนี้มาสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองนี่คือหน้าที่ของกิเลสเพราะฉะนั้น เราต้องพยายามฝึกสติกันตั้งแต่ตื่นจนหลับนะแล้วก็เวลาว่างก็นั่งสมาธิกันวันหยุดก็อย่าไปเที่ยวอย่าไปเลี้ยงกิเลสนะมาดูแลจิตใจของเราไปอยู่วัดไปอยู่ที่วัดที่มีการปฏิบัติธรรมนะอย่าไปวัดที่มีงานศพมีงานบุญงานอะไรนะที่นั่นไม่สง บ, บไปไปแล้วจะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เราไปวัดที่ไม่มีงานบุญบุญ บ, บางสังส่วนนะ ไปที่วัดที่มีแต่การศึกษามีแต่การปฏิบัติธรรมมีวัดที่เป็นที่สงบสงัดวิเว้มีการแสดงธรรมมีการให้ฝึกสมาธิเดินจงกรมอะไรอย่างนี้ไปอยู่วัดอย่างนั้นในวันหยุดของเราเพื่อเจริญสติเพื่อนั่งสมาธิให้ใจมีอุเบกขาขึ้นมาเพราใจมีอุเบกขาแล้วชีวิตของเรานี้จะสบายนจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราบยศเสารเสินสุข ibile. มันจะรู้สึกเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปต่อสู้ต่อกรกับใครใครเขาจะด่าเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาใครเขาจะชมเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไหวมันเรื่องของเข า, เข า, มเขเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเรามีหน้าที่รักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์เท่านั้นเองถ้าเรามีอุเบกขามีสติแล้วก็มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงของชั่วคราว ชมไปแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปด่าแล้วดูตําหนิแล้วมันก็ผ่านไปมันไม่มีอะไรจีรังถาหวานที่จะอยู่กับใจไปได้ตลอดนอกจากความสงบนอกจากอุกเบกขาเพียงอย่างเดียวเราต้องรักษาอุเบกขาด้วยสติด้วยปัญญาถ้าเรามีส ต, ติมีปัญญาเราจะทําให้ใจของเรานี้สงบไปตลอดใจที่สงบตลอดก็เรียกว่านิพานนี่นิบานังปลมังสุขขังใจที่เต็มไปด้วยความสงบ ที่จะเป็นผลที่เกิดจากการมาทำภารกิจสองข้อนี้คือคันถาธุระวิปัสนาธุระการแสดงในสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยาถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนทีสาคารงเอวามวอติตตทินังเปตานังอุปกัปติ เยชิตังปฏติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปัญาราโสยธามเนโชติราโสยธาสัพพิติโยมิวัจฉันตุสัพพะโรโขวินัสสตุมาเตภวะโตอันตรายุสุขีทีขายุโกภวะ อะพิวาธนสีลิสะลิจังวุธาปจายโนจตารธรมมวาทานติอายุวนโสุขังภาลาังใครมีคำถามอะไรต้องการถามเข้ามาถามเองก็ได้หรือยกมือขึ้นจะเอาส่งไม่ไปให้ก็ได้หรือเขียนข้อความส่งเข้ามาก็ได้ แล้วแต่ทางบ้านก็เช่นเดียวกันส่งข้อความเข้ามาได้ในตอนนี้เลยจะตอบไปจนกว่าไม่มีคำถามก็จะเลิกนะวันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับวันนี้ผู้ติดตามทาง f a c e b o o ห้า4้อยสิบสี่ Facebook 14, YouTube, พระอาจารย์สุชาติไลฟ์สอง y ้ u ยหกสิบห้าดรวสิบาวิทยุออนไลน์สี่ u b ับ u ฮ e 7์เจ ผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยเจ็ดคนรวมทั้งหมดเก้าร้อยสิบครับเขาว่าคนสนใจธรรมานี่เป็นเหมือนเขาวัวคนสนใจเรื่องตลกบวกฮานี่เป็นเหมือนขนวัวถ้าดูติ๊กตับบ้าบอคอแตกนี่ดูเป็นล้านแต่ได้ดูธรรมานี่มีแค่สองสามคนคนคนที่มีปัญญาในโลกนี้มีทัพุทธเจ้าบอกเป็นเหมือนพวกเขาวัว ตัวหนึ่งมีแค่สองเขาหลายพวกที่ไม่มีปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนขนวัววัวตัวหนึ่งมีเป็นร้อยอันนี้ก็พูดเปรียบเทียบให้ฟังแต่อะไรที่มีสาระประโยชน์นี่คนไม่ค่อยชอบดูกันถ้าอะไรดูแล้วทำให้เป็นบ้ากันไม่ชอบดูกัน <c oughs> ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลย ตอนนี้ทาง a ฟ e b o o k มีเข้ามาหนึ่งคำถามครับจะคุณชยภาท่องพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่ในใจแทนท่องพุทโธได้ไหมครับได้ได้เหมือนกันจะสวดลิธิปิ سو ไปก็ได้แล้วแต่เราจะพอใจคือให้เราให้ใจมีงานทำจะได้ไม่ไปคิดเรื่องบ้าบอคอแตกแต่างมีเท่านั้นเลยโอเคจะมีน้อยแล้วกันนะวันนี้ ญาญโยมีใครอยากจะถามอะไรไหมญาญค่ะกาบขออนุญาตค่ะเอาเลยเอาเละคือว่าวันนี้ตั้งใจกาบนมาตการพระอาจารย์นะคะวันนี้ตั้งใจจะมาถามข้อธรรมะก็พอดีพระอาจารย์ได้อธิาบายได้ไปขยายความไปได้กว้างขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจบ้างแต่ก็ขออนุญาตค่ะคือว่าที่ปฏิบัติมาน่ะก็พยายามฝึกสติ ตามรู้ในะอริยาบทต่างๆอริยาบทย่อยก็ดีทำอะไรให้มีสติแต่ตัวรู้แต่บางครั้งขาดตอนไปบ้างแต่พยายามทำตัวรู้แต่ถ้าขอญาตเดินจงกรมเนี่ยรู้ดับเห็นชัดขึ้นค่ะ และจนกระทั่งมาแล้วก็รู้ว่าปัจจุบันนี้กายกับจิตมันคนละส่วนกันทพกายภายในกับกายหยาบข้างนอกตัวนี้เราก็ทำความรู้พิจารณาไปในรูปของที่ธาตุสีดินน้ำไฟลมขณะที่เราเจริญสมาธินะคะจิตพักจิตเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาสลับกันเป็นบางครัง้งบางคราวแต่รู้ว่าจะพยายามฝึกจิตฝึกจิตตัวนี้ให้ตั้งมั่นค่ะ แล้วก็จนกระทั่งมาปัจจุบันวันปลายเดือนก็ขณะที่จิตเข้าสมาธิอยู่เป็นหนึ่งอยู่มันผุดขึ้นมาว่าอาวิชชาจิตเราก็เลยตามถามไปว่าอาวิชชาคือความหลงที่ไม่รู้จริงแล้วก็ต่อไปอีกว่าอาวิชชาทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดจุดนี้ก็เลยต่อเนื่องไปว่าที่พระอาจารย์อธิบายมาด้วยค่ะพอะดีตรงนี้อยากให้พระอาจารย์อธิบายชี้แนะให้ต่อให้ ก็ต้องใช้วิชามาดับอาวิชา<ะ>เอาวิชามันหลอกเราให้เรามาเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> มันหลอกว่าโลกนี้เป็นโลกที่มีเต็มด้วยความสุขงั้นต้องใช้ธรรมะ <c oughs> คือวิชามาแก้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะของทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วกราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเวลาอยากให้มันเที่ยงมันไม่เที่ยงก็จะทําให้เราทุกข์ เวลาอยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นของเรามันไม่เป็นของเรามันก็ทุกข์ดังั้นต้องให้สอนใจรักให้พิจารณาใจรักกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้มันก็จะแก้อวิชาได้เมื่ออวิชากลายเป็นวิชากลายเป็นปัญญาขึ้นมามันก็จะไม่ให้จิตไปเวียนว่ายตายเกิดกต่อไป ขอขอญาตนะคะเราต้องพิจารณาไปในรูปของปฏิจจสมุปปบาทไหมคะไม่ต้องล่ะให้้ทำความรู้ตัวจิตจิตตัวรู้ตัวนี้ตัวเดียวใช่ไมค้รู้ว่าลาบยศสารสนุสุขให้รู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสในโลกนี้เป็นทุกข์ให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นทุกขเวทนาเป็นทุกทุกอย่างเป็นทุกขหมดอย่าไปยุ่งกับมันบางครั้งก็จิตเป็นแล้วก็มาสลับพิจารณากายแยกธาตุดินน้ำไฟลมคือตัวเราเคยเห็นโครงกระดูกตรงหัวไหล่นะคะแล้วก็เราก็ตัวนี้ถูกต้องไหมคะก็ ดูเพื่อกกรักลกกมมาราคะไงถ้าเห็นร่างกายสวยงามมันก็อยากจะเสพกรรมด้วยต้องเห็นว่ามันไม่สวยงามยอมรับบางครั้งหนักหน่วงบางครั้ ง, ง, งก็จิตตกเหมือนกันค่ะอาศัยอคําสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอุบายเหมือนกันค่ะถับถ้าธรรมะอ่อนกิเลยก็แข็งถ้าธรรมะแข็งกิเลกก็อ่อนเะาต้องพยายามทำธรรมะให้มันแข็งตลอดเวลาะมีกําลังมากกว่ากิเลส กิเลมันก็ต้องยกธงขาวถอยไปแต่ถ้าธรรมะอ่อนกว่ากิเลสธรรมะก็ต้องยกธงขาวก็คือต่อไปนี้มันชี่ก็ต้องเดินจุดนี้ให้ดูตัวที่พ่ออาจารย์อธิบายมาเป็นข้อคิดใช่ไหมคะเพราะทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันไม่ใช่ของเรามันไม่เป็นเพนของเรามันไม่เที่ยงมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราได้ตลอดอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากเป็นอะไร แต่ตอนนี้ก็เห็นทุกชัดเห็นทุกเพราะเราต้องอาศัยสมมุติของ่าสีตัวนี้เพื่อสร้างตัวนี้ให้ใพ้นทุกตัวนี้ก็คิดอย่างนี้ยค่ะเห็นว่ามันทุกก็อย่าไปมีมันต่อไปอย่าไม่มีอย่ามามาเกิดใหม่มีร่างกายแล้วก็ต้องทุกไม่มีร่างกายก็ไม่ทุกถึงบางทีจะปีกปีกที่เราจะเปีกตัวแล้วก็ปิดวาจาได้มากเท่าไหร่นี่อันนี้เป็นประโยชน์บางครั้งก็จะาหาโอกาสอันเนี้ค่ะออค่ะแต่ก็เป็นการเปรียกชั่วคราวเพื่อเสริมกําลัง พอเรามีกําลังสู้กับโลกได้แล้วก็กลับมาอยู่กับโลกได้ค่ะตอนนี้พ่อแม่ครัววะอาจารย์ต่างกระดะสังขารอยหลวงปู่ท่านทุกคนเลยไหมทุกไหมล่ะเวลาท่านร่สังขารก็เลยถ้าไม่ยึดไม่ติดก็ไม่ทุกเงื่อเป็นธรรมดาธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาอย่าไปยึดเกี่ยไปติดอย่าไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเพราะไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดได้ ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดทาคจากกันเป็นธรรมดา๋ยวมีอยากจะถามอะไรเลยอ่าคุณ<า>ก็อากาศนวัตการบ้าอาจารย์นะค ะ, ะคื อ, อ, คอปกติเครอบครัวหานับถือศาสนาอิสลามแล้วก็เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาคุณ อยากจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าคนที่นับถือศาสนาอื่นนะค ะ, ะเขาจะสามารถถึงจุด เ, เหมือนถึงพระนิพพานได้ไหมคะพระอาจารย์คือพระนิพพานนี้ถ้าไม่รู้จักทางต้องมีคนพาไปค่ะยกเว้นคนเดียวที่ไปพบนิพพานได้ด้วยตนเองก็คือพอระพุทธเจ้าค่ะตอนนั้นแล้วต้องมีไกด์ค่ะเปนหัวหน้าทัวร์พาไป เรงไปเที่ยวต่างประเทศนี้ถ้าไปเที่ยวเองนี่จะลาบากค่ะลาบากค่ะถ้ามีหัวหน้าทัวร์ไปนี่สบายไหค่ะถึงเวลาก็เดินตามเขาไปถึงเวลาเขาอกอ่ะไปที่นั่นที่นี่แล้วก็จะเล่าให้เราฟังว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นอย่างไรค่ะศาสนาก็เป็นเป็นเหมือนหัวหน้าทัวร์นี่นะค่ะแต่ละศาสนาก็จะพาไปจุดต่างๆค่ะแต่มีศาสนาพุทธเท่านั้นที่จะพาไปนิพพานได้ค่ะเพราะหัวหน้าทัวร์ของศาสนาอื่นนี่เขาไม่รู้จักนิพพานว่าเป็นยังไงค่ะ ก็ต้องถ้าอยากไปนิพพานต้องอาศัยพุทธศาสนาเป็นต<ก>ัวพาไปแสดงว่าหนูโชคดีที่เกิดมาในศาสนาอิสระแล้วก็ได้ปไปก็สแสดงว่าหนูเก่งหนูห น, ห น, หนมูมีมีมีปัญญาที่ไม่ถูกความหลงความความโง่ครอบงมจิตใจบังคับให้เราเชื่อในสิ่งที่เราไม่เชื่อทสมัยเราเรียนหนังสือเราเรียนเราก็เรียนโงเรียนคริสเหมือนกันคริสก็พยายามโน้มน้าวให้เรานับถือาศาสนาที่ แต่เราฟังคำสอนแล้วเราเรารู้สึกมันขัดกับใจเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกยอสิ่งต่างๆนี้อยู่ที่คนคนเดียวที่ทำให้บาปของเราหายไปหมดนี้เราก็เลยไม่เชื่อเราเชื่อกฎแห่งกรรมมากกว่าอะไรไม่ไม่นับถือศาสนาพิสแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ดูหมิ่นไม่ลบหูค่<ฆ>เขาล บ, ลบยกย่องตามตามสถานภาพของเขา เป็นแต่ว่าไม่ถือให้เขาเป็นผู้นําชีวิตเราทั้งนั้นเราก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เชื่อศาสนาพุทธเต็มร้อยเราก็ยังค้นคว้าหาอยู่ในนั้ที่สุดเมื่อได้ศึกษาถึงแก่นง เ, งนนเ า, เ า, ถ, า, า, ยยาถึงจะเข้าใจพอเข้าถึงพระอริยศัจสีแล้วถึงจะเข้าใจอ๋อศาสนาพุทธนี่เป็นผู้ที่รู้จริงผู้ที่สามารถพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงค่ะก็เลยเริ่มสนใจปฏิบัติอย่างจริงจัง ลาออกจากงานปฏิบัติอยู่ที่บ้านในที่สุดก็ไปบวชบวชแล้วก็อยู่จนห้างถึงวันนี้แล้ ว, ลวสมมุติว่าถ้าเหมือนเราเป็นชาวพุทธนะคะอาจารย์แล้วเรายังไม่ถึงจุดพระนิพพานแล้ววันหนึ่งที่กายสังขารเรามันดับไปโอกาสที่เราจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาอีกมันมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย์ที่พอที่จะเอะเพิ่มความปลอดภัยให้กับ ถ้าเกิดเราเชื่อ ว, ว่ามันชาติหน้าเราจะต้องกลับมาเกิดอีกค่ะให้เราได้เจอพระพุทธศาสนาอีกก็อย่าทําบาปเพราะทาบาปจะทำให้เราไปเกิดนัยบายค่ะถ้าไม่ทําบาปตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้บ่อยซึ่งการมาเกิดเป็นมนุษยไ์ได้บ่อยก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับพระพุทธเจ้าต่อไปหรศาสนาพุทธ องต่อไปได้ก็เหมือนถ้าซื้อวัตตอรี่หลายใบโอกาสจะถูกรางวัลก็มากขึ้นถ้าซื้อใบเดียวมันก็จะถูกยากเห็นไหมค่ะงั้นงวดหน้าหนูเพิ่มเป็นห้าใบนะคะรักษาสรักษาสินห้าไปตลอดชีวิตค่ะโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุน์นี่จะบ่อยจะมากค่ะก็ก็ พยายามทำตามพระเจ้าสอนละการกระทำบาปทั้งหมดก็จริงๆหนูหนูมาจากพังงาค่ะแล้วก็ดูจากไลฟ์ที่ที่พระอาจารย์อ่าถ่ายทอดสดใน f a c e b o ๊ k แลเมื่อคืนมีโอกาสบินมาจากภูเก็ตนะคะมาทุระก็เลยเฟซกูเกิลมาแล้วก็เห็นตารางว่าพระอาจารย์จะเทศตอนไม้ยสองหนูก็เลยขับมาคนเดียวค่ะเก่งมากแสดงว่าก็อนุโมทนาบุญกับกับลูกศิษย์พระอาจารย์ด้วยนะคะไฟแรงไม่ต้องมีคนชวนคนดึงมาขอี่ยแหละที่มีศรัทธามีฉันทะมีความยินดีในพระพุทธศาสนาแล้วมักจะเป็นอย่างนี้ที่ไหนมีธรรมะมันจะไปมันจะไป ค่ะดีพยายามปฏิบัติศึกษาไปเรื่อยๆน ะ, ะน่าจะไปทำใจดีขึ้นไปค่ะโอเคกราบน้ำมัสการพระอาจารย์ค่ะโยมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอเบนมาคายแ้กั น, กนค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาที่นี่เพราะว่าสามีพามาค่ะนะคะด้วย บุญที่สา ม, มีนั้นฟังพระอาจารย์นะคะในส่วนที่บรรยายธรรมอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็สา ม, มีก็มีความตั้งใจอยากจะมาที่นี่โยมก็เลยได้มีโอกาสมาและฟังค่ะแล้ววันนี้เมื่อได้ฟังท่านพระอาจารย์เสร็จแล้วนะคะก็เลยมีคำถามหนึ่งค่ะก็คือว่าปัจจุบันโยมดูแลคุณพ่อซึ่งอายุ99ปี10เดือนค่ะ ในส่วนของด้านดูแลทางกายนั้นลูกๆทุกคนหกคนค่ะก็พยายามดูแลคุณพ่ออย่างดีกินอิม่มนอนหลับนะคะแล้วก็อบอุ่นด้วยลูกๆห้อม ล, ล้อ ม, อมค่ะแต่ทีนี้มีในด้านของทางจิตลูกก็พยายามด้วยการสวดมนต์ค่ะพาสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็เปิดธรรมะ แล้วตอนเช้าก็ลุกขึ้นใส่บาตรตามที่พ่อซึ่งตอนนี้ไปใส่บาตรเองไม่ไหวค่ะก็อยากใส่บาตร ล, ลูกก็ไปใส่บาตรตอนเช้าค่ะพ่อก็ดีแต่ก็จะมีอาการหนึ่งของทางกายก็คือจะมีความของบางครั้งก็เป็นเป็นไม่นอนเป็นไม่นิ่งไม่สงบค่ะทีนี้คำถามของโยมก็คือในช่วงวาระที่บลายของพ่อนะคะ ในฐานะของลูกตรงนี้ควรจะดูแลอย่างไรในการที่จะให้พ่อในช่วงของวาระสุดท้ายของชีวิตให้พ่อได้ไปอย่างสงบและไปสู่ในที่ที่ ท, ที่ที่ดีถ้าในภพภูมิหรือในสิ่งต่างๆนะคะ่ค่ะก็เป็นเป็นสิ่งที่โยมก็ยัง อ, อ, อยากจะทำให้ดีที่สุดน ะ, ะตรงนั้นในส่วนของพ่อนะคะ่ะ ในส่วนของตัวลูกเองโยมเองก็เข้าใจในเรื่องของเกิดแก่เจ็บ ต, ตายค่ะก็ฟังทำเยอะเข้าเหมือนที่พระอาจารย์บอกแต่พอถึงสุดท้ายจริงๆพอจะเจอจริงๆในการเทียบจากเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าผงได้ทำใจได้แต่ว่าพอใกล้จริงๆก็รู้สึกแบบยังยังยังไม่เท่าไหร่นะคะทีนี้ก็จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ ในเรื่องของภาวะทางจิตตรงนี้ค่ะได้เข้มแข็งข้ามผ่านได้อย่างแท้จริงค่ะไม่ใช่เพียงแค่อ่านหรือฟังหรือพูดนะคะ็ต้องปเจะปฏิบัติให้จิตมีอเบคามากๆให้จิตไม่วันไวหวให้จิตเฉยๆให้ได้ฝึกสติดั้งสมาธิบ่อยๆให้จิตรวมเป็นสมาธิให้นิ่งอยู่นานๆให้มีโอเบคาไวมากๆ ้ต่อไปเวลาสัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆจิตก็จะเฉยได้ตอนนี้ถึงแม้เราจะรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอเจอมันแล้วคิดถึงมันบางทีใจก็ยังหวั่นไหวอยู่เพราะใจยังไม่มีอุเบกขาพอพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ในใจของตัวเราเองว่าเรามีความมั่นใจมีความแข็งแกร่งในใจเรามากน้อยเพียงไรต้องปฏิบัติสันติโก ผู้ปฏิบัติทั้งนู้ได้ด้วยตนเองว่าจิตใจของตนนั้นอยู่ในสภาพไหนส่วนเรื่องของพ่อ น, นี้ก็ทําได้ส่วนใหญ่ก็ทําได้ที่ร่างกายของท่านช่วยท่านทางร่างกายได้แต่เรื่องจิตใจนี้มันช่วยยากจิตใจที่พระเจ้าบอกต้องอัานตาหิอัตโนนาโต้ตนเป็นที่พึ่งของตนพ่อต้องสร้างบุญสร้างกุศลขึล้นมาเองลูกไม่สามารถที่จะหยิบยื่นบุญกุศลให้กับพ่อได้ถึงแม้ให้พ่อใส่บาตรถ้าพ่อไม่ได้เป็นคนสั่งให้ ให้จัดการนะีแล้วไม่ได้เป็นเงินของพ่ออันนี้มันก็ไม่ได้บุญตายอย่างใดนะคแต่ก็ทำไปเพื่อความสบายใจของลูกๆก็แล้วกันส่วนจิตใจนี้มันต้องสร้างบุญตั้งแต่ยังไม่ตายมาสร้างตอนใกล้ตายเหมือนกับนักงมวยเนี่ยไม่ซ้อมมาเลยพอวันพวกนี้จะขึ้นชกถึงมาซ้อมกันมันไม่ทันหรอกนัองพยายามซ้อมอยู่เรื่อยสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยตั้งแต่ เนี่ยตั้งแต่บัดนี้ไปอย่าไปรอใกล้ใ ก, กล้ตายแล้วค่อยทําพราะถึงเวลาใกล้ตายมันอาจจะไม่มีโอกาสได้ทํานำแล้วไม่รู้จะทํำยังไงด้วยของการทําบุญกุศลนี่มันไม่ถ้าไม่ฝึกไม่ทํามันจะไม่รู้วิธี ท, ทําได้ถูกต้องดฉะนั้นอย่าประมาทเอาเรื่องความแก่ความตายของคนอื่นมาสอนพวกเราเองว่าต่อไปเราก็ต้องไปเหมือนเขาตอนนั้นเราก็จะทําอะไรไม่ค่อยได้ทางด้านจิตใจ อย่าให้รีบทําเสียแต่ตอนนี้ตอนนี้เราทําได้รีบทําเสียอยากจะทําบุญเท่าไหร่ก็ทําได้อยากจะปฏิบัติทำกี่วันก็ทําได้ให้รีบทําเสียเพราะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วมันจะทําไม่ได้เพราะไม่เคยทําไม่เคยฝึกมานะนะครัแต่ดูายคุณพ่อก็ดีนะพ่อแม่เป็นเหมือนพระอรหันต์ของลูกๆได้บุญได้กุศล เราก็ดูแลท่านได้เพียงทางร่างกายทั้ น, นั้นเองทางจิตใจนี้ต้องเป็นเรื่องของตัวใครตัวมืนนั่นต่อคำถามจากคุณปุษย์จันทร์จะมีวิธีโน้มน้าวอย่างไรให้พี่สาวสนใจมาฟังธรรมะส่งคลิปธรรมะให้มากมายแต่เขาไม่เคยฟังเลยและมักจะบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องและก็ง่วงนอนครับ เาเก็อยากไปสนใจเลยถ้าเขาไม่สนใจแล้วยังไงก็ไม่เขาก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ให้เขาถามก่อนดีกว่ามีคลิปใหม่ๆไหมยเงี้ยก็รีบส่งไปถ้าส่งไปแล้วเคยเห็นเวลาสาดน้ําใส่หลังหมาไหมล อ, ล, อลองเทน้ําใส่หลังหมาดูดิมันจะทําไงมันเด่นสะบัดทันทีมันไม่ชอบน้ําแต่ถ้าหมาตัวไหนชอบน้นํานี่โอ้มันกระโดดลงสระเลย มันต้องดูว่ามันชอบไม่ชอบเป็นละถ้าไม่มีความยินดีในธรรมนี่ก็ช่วยไม่ได้คนเราต้องมีความยินดีในธรรมถึงจะช่วยกันได้คําถามจากคุณธนิดาตอนนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆแล้วต้องทําอย่างไรต่อไปครับมือใหม่หัดนั่งครับก็ดูไปเรื่อยๆจน ก, กว่าจิตจะนิ่งสงบนิ่งสงบก็รักษาความสงบให้ไปนานๆยังไม่ต้องเจริญปัญญา ปัญญานี่ต้องรอให้เราชำนาญทางสมาธิก่อนให้เราสามารถควบคุมจิตให้สงบได้นานๆก่อนแล้วค่อยเอาอเวลาเจริญปัญญาก็ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนคําถามจากคุณสัชชิทอนหากพ่อแม่ของเราเสียไปตั้งแต่เรายังเล็กยังไม่ได้ทันตอบแทนคุณของท่านแบบนี้ถือว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปครับก็ไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปบุญก็ไม่ได้ทํา นายก็ไม่ได้ไปทํำลายทํำลายท่านก็ไม่มไม่เป็นบาปแต่อย่างไรคําถามจากคุณมีชัยออกจากสมาธิแล้วพิจารณาปัญญาพิจารณาไตรลักษ์เลยได้ไหมครับทําสมาธิที่มาสักระยะแล้วครับได้โดยเฉพาะเรื่องที่ทําให้เรากังวลใจทุกใจเอาเรื่องนั้นก่อนกังวลกับเรื่องอะไรก็พิจารณาเรื่องนั้นเพื่อปล่อยวางให้ได้กังวลกับเรื่องเงินทองก็พิจารณาว่าไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยุ่งกับมันถ้าไม่มีเงินทองได้ยิ่งดีก็ต้องหัดเปลี่ยนวิธีอยู่อยู่แบบไม่ต้องใช้เงินทองให้ได้คือใช้เท่าที่จำเป็นอันไหนที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองก็อย่าไปใช้มั น, มนแล้วต่อไปก็จะไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องเงินทอง คำถามต่อไปจากคุณแดนเมื่อเราพยายามพิจารณาร่างกายอยู่ตลอดและพยายามสร้างสติด้วยพุทโธก่อนการมานั่งสมาธิและเมื่อออกจากสมาธิแล้วมาเจริญวิปัสสนาสอนใจว่าอนิจจงทุกขังอนัตตาแต่ก็ไม่เห็นธรรมตามความเป็นจริงได้เลยครับจะทำอย่างไรหรือทำตัวอนิจจงทุกขังอนัตตาจะเห็นได้ตอนไหนอย่างไรครับ ก็การเจริญปัญญานี่มันมีสองตอนไงตอนแรกนี่ว่าทาการบ้านก่อนเท่นยังไม่มีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นก็ซ้อมไว้ก่อนซ้อมว่าร่างกายเราเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะออันนี้ยังไม่มีเหตุการณ์จริงเดี๋ยววันดีคนดีขี่มอเตอร์ไซค์ไปหัวฟาดพื้นสลบนอนอยู่ในโรงพยาบาลนี่อ่าอันนี้แหละเห็นไหมในข้อสอบจริงนะร่างกายเรามันต้องเจ็บไายได้ป่วยจะทุกข์ก็เลือกไม่ทุกข์กับมัน ถ้าอยากให้มันหายอยากให้มันไม่ไม่ป่วยก็จะทุกข์ถ้าเฉยๆว่าเออมันเป็นธรรมดามันต้องเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่ทุกข์ใจอันนี้เป็นข้อสอบแต่ถ้าเราไม่ทำการบ้านไว้ก่อนพอถึงเวลาจริงจะไม่รู้จะทำยังไงก็จะอยากอย่างเดียวอยากหายอยากไม่เป็นก็จะทุกข์ทรมานใจนั้นการเจริญปัญญามันมีสองตอนตอนที่ยังไม่มีเหตุการณ์เตรียมไว้ก่อนทาข้อสอบทาการบ้านไว้ก่อน พอเจอข้อสอบจะได้ทําข้อสอบได้คําถามจากคุณมีเป็นสิทธิ์พระอาจารย์ครับปรารถนาไปกราบที่วัดและภาวนาบนเขาแต่ขัดสนไม่มีรถและไม่มีเงินเพียงพอรู้อยู่ว่าภาวนาที่ไหนก็ได้แต่ความอยากไปภาวนาบนภูเขาก็วนเวียนอยู่ในใจเรื่อยๆครับกลับอ๋ อ, อถ้ามันอยากมากๆจริงๆมันไปได้มันค่ารถมันจะกี่ตังค์กัน ตีไปเที่ยวที่นูน้นที่นี่ไปได้หมดนะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากทุกวินาทีที่เราดำเนินชีวิตเราเห็นการกระทำเกิดดับเกิดดับเป็นอุเบกขาหรือไม่ครับเพราะสิ่งนั้นก็เป็นเช่นนั้นแปลเปลี่ยนไปตามวาระของการดำเนินไปของชีวิตครับเป็นแต่มันไม่ค่อยเป็นเป็นปัญหาเท่าไหร่ ให้ดูสิ่งที่เกิดดับที่ทําให้เราร้องไห้ดีกว่าที่ทําให้เราเครียดดีกว่าเช่นเขาจะตัดเงินเดือนเราเงนี้ดูซิว่าเราเห็นเกิดดับเกิดดับหรือเปล่าเงินเดือนขึ้นเงินได้ก็ต้องมีลงได้ช่วงนี้บริษัทเจ๊งเงินเยอะแยะนะฉะนันคนมาออกรายการ 6, กร้องห่มน้องไห้กันนี่แหละเพราะไม่เห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับไม่ได้ทําการบ้านไว้ก่อนพอเจอการบ้านก็พอเจอข้อสอบก็อ ส, อบอสอบตกกันทุกกัน ถ้าทําไว้ก่อนวนะ่าเนี่ยงานนี่เดี๋ยวสักวันนึงเขาอาจจะปิดบริษัทก็ได้ก็าอาจจะเลิกจ้างเราก็ได้<ม>พอถึงเจอข้อสอบแลาวว่ากูรู้แล้วมันต้องเกิดขึ้นกูเตรียมตัวไว้แล้วเก็บเงินไว้สํารองนะจะได้ไม่เดือดร้อน<ม>อ น, นี่แห<ม>ละคือมองเห็นไงเกิดดับเกิดดับตอนที่มันมันไม่กระทบกระเทือนใจเราไปเห็นมันนก็ไม่ไประโยชน์อะไรมันไม่มันไม่สมําคัญดูที่มันจะมากระเทือนใจเรา อันั้นที่เราคิดว่าถ้ามันมันดับแล้วมันจะมาสะเทือนใจเราอันนั้น่ะเราต้องรีบแก้เสียรีบสอนใจให้ยอมรับกับมันให้ได้ค <c oughs> ำถามจากเฟ e บุ o k ครับ <c oughs> เป็นคนเครียดอยู่บ่อยๆ <c oughs> ควรปฏิบัติทมข้อใดหรือต้องทำอย่างไรถึงจะไม่เป็นคนเครียดง่ายครับ <c oughs> สติเจริญสติอยู่เรื่อยๆพุโทโธอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆคังคิดเรื่องราวต่างๆนี่แหละที่เป็นทำให้เราเครียดกัน พอเราไม่คิดแป๊บเราก็ลืมมันพอลืมมันความเครียดก็หายไปเหนไหมถ้ามันคิดก็ต้องใช้พุโทโธอยุดมันต้องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันแล้วก็วประกรันได้จะไม่มีความเครียดใจจะว่างจะเย็นจะสบายคําถามจากคุณชนาการเป็นคนที่ขาดวินัยแล้วก็นั่งสมาธิไม่เป็นเวลาครับพระอาจารย์มีคำชี้แนะไหมครับก็มีก็ ทำตารางไว้สิเวลาเรียนหนังสือก็ยังมีตารางเรียนใช่ไหมเวลานี้เรียนวิชาวิทย์เวลานี้เรียนคณิตเรียนประวัติเนี่แล้วก็ตั้งตารางไว้สิเวลานี้เจริญสติเวลานี้นั่งสมาธิแล้วก็ทำตามตารางถ้าไม่ทําตามตารางก็ช่วยไม่ได้แล้วหมดแล้วแล้วก็ต้องไปหรือต้องไปอยู่ที่เขาบังคับเนี่ยเช่นไปอยู่วัดเนี่ย เข้าคอสเจ็ดวันนี้เขาจะมีตารางเตือนกี่โมงกินข้าวกี่โมงเดินจงกรมกี่โมงไหว้พระส่วนมนตกี่โมงก็มีตารางให้ทําทั้งวันเลยถ้าเรายังไม่มีวินยัยเราก็ต้องไปฝึกวินัยก่อนไปฝึกกับสถานที่ที่เขามีการฝึกวินยัยพอเรามีวินัยแล้วต่อไปเราก็สามารถปฏิบัติที่บ้านอของเราได้ที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องไปเข้าหลักสูตรนะหมนแล้วนะโอเค